แ be ง่คิดจากนั้นเรื่องแฮนด์คอปดีใดไม่มีโทษโดยโชลนินบทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเสียอารถในการชมภาพยนตร์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 เขาก็รู้สึกพึงพอใจหลงรักแมรี่ภรรยาของเรย์ยังไม่มีเหตุผลและแมรี่ก็มีความลับบางอย่างที่ปิดบังเขากับเรย์ไว้เช่นกันทั้งแมรี่และแฮนด์คอบกต่างก็เป็นมนุษย์พันพิเศษด้วยกันทั้งคู่มีความเป็นอมะตะเรียวแรงพลังเหนือมนุษย์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 ช่วยรถของเรไม่ให้ถูกรถไฟชนแต่กลับทำให้ตู้ขบวนรถไฟนั้นหลุดพังสร้างความเสียหายจนหน้าปวดหัวไล่จับโจรไม่กี่คนก็ทำเอาข้าวของทรัพย์ของชาวเมืองเสียหายมากกว่ามูลค่าของที่ถูกตลเจตนาดีอยากช่วยอยากทำความดีนะ่ะดีแล้วถูกแล้วแต่ต้องมีสติรอบคอบระมัดระวังกว่านี้นะแฮนคอร์ก ดีใดไม่มีโทษดีนั้นจึงเรียกว่าดีแท้จะว่าไปพวกนักชอป บ, บุญคนดีที่เป็นอย่างแฮนค็อกก็มีไม่น้อยเหมือนกันไม่ขอยกตัวอย่างที่เห็นกันทั่วไปดีกว่าขออนุ ญ, ญาตยกเรื่องตอนเป็นเนีนของอาเขยมาเล่าน่าจะปลอดภัยดี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 จะมีความสุขหลังจะทำความดีด้วยการสละอดีตภรรยาของตนเองให้แก่เรหรือเปล่าคงตอบยากสักนิดเพราะดูแล้วพ่อคุณก็ยังรักษามาตรฐานฮีโร่ขี้มโมโหคนเดิมขนาดตั้งใจไปช่วยคนแท้แต่พอได้ยินคำพูดขัดหูปับ๊บโทสากวีรบุรุษก็พุ่งปริ้ดทีเดียวนี่ละนะครูบาอาจารย์ท่านจึงมักเตือนว่า ความเมตตาพลิกเป็นราคะได้ง่ายส่วนความการุณามันพลิกเป็นโทสะได้รวดเร็วสังเกตใจตัวเองให้ดีแล้วกันบทความโดยชนลนิมจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่51เอเสียงอ่านโดยโจโช Should love you. Hancock's latest so-called will be better.